เหมือนอย่างการสำรวจศีลเพราะแนวคิดอันเป็นยอดสุดของพุทธนั้นขานกับสามัญสำนึกของปุถุชนคนธรรมดาอาจเปรียบเทียบง่ายๆว่าเบื้องต้นพุทธศาสนาชวนให้มาสู่หุบเขาแห่งหนึ่งตามทางกองไว้ด้วยข้าวของเงินทองนับไม่ถ้วนสำหรับคนอยู่ไกลย่อมเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งว่าจะมีอะไรอย่างนั้นจริง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 ปุถุชนทั้งหลายย่อมผงะเพราะนั่นแปลว่าเมื่อไปถึงที่นั้นสมบัติแสนรักแสนหวงทั้งหลายของตนย่อมถูกทิ้งไว้เบื้องหลังมีเพียงหนึ่งในร้อยหรือน้อยกว่านั้นที่ฟังแล้วบังเกิดความเลื่อมใส ย, ยินดีด้วยแง่คิดมุมมองว่าเออวิเศษจริงหนอะต่อไปไม่ต้องเหนื่อยยากหาสมบัติความไม่มีสมบัติ